เรื่องที่31ความผิดหวังใครก็ไม่ทราบไปตั้งปรัชญาไว้ผิดๆว่าชีวิตอยู่ด้วยความหวังเลยทำให้คนเป็นอันมากหลงความหวังของตัวเองอุปมาเหมือนเด็กส้นคนหนึ่งเอาไม้เขียนรูปขยโยขยกขยกลงที่พื้นดินแล้วก็บอกนี่พ่อไอ้นั่นเจ้าเด็กคนที่ยืนดูอยู่คนหนึ่ง ซึ่งถูกยกให้เป็นลูกของพ่อที่พื้นดินนั้นก็เคลิบเคลิ้มไปนึกว่ารูปที่เพื่อนขีดเขียนนั้นเป็นพ่อตัวจริงๆพอมีเด็กค่อนข้างจะเกรเร อ, อีกคนหนึ่งเอาเท้าลบรูปนั้นเสียก็เลยเดือดโมโหเป็นการใหญ่ถึงกับเกิดวางมวยกันปากคอเจอไปทั้งคู่โทเอ๋ยจะเป็นเพราะปัชญาผิด หรือเพราะเราเองผิดไปเองก็แล้วแต่เธอแต่ความจริงที่เป็นไปอยู่ในสังคมปรากฏว่าความผิดหวังเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งในชีวิตของสามัญชนเมื่อเกิดการผิดหวังแล้วก็ให้เกิดความเสียใจวุ่นวายใจระอาใจทอแถ่ใจและอะไรอะไรใจอีกเยอะแยะบอกไม่ถูกบอกได้แต่ว่ามันหมดความสงบสุขลงไป ถึงเวลากินก็ไม่รู้สึกหิวถึงเวลานอนก็ไม่รู้สึกง่วงบางรายก็เกิดการเบื่อหน่ายชีวิตของสังคมไม่อยากเห็นหน้าพวกมนุษย์หนีออกไปบวชเป็นเถรเป็นชีเสียให้สิ่นเรื่องบางรายเบื่อหน่ายชิงชังแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองอยากจะตายตายไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดที่อยากจะตายแต่ยังเสด็จชีวิตก็เอาแต่บ่นว่าอยากตาย ที่หมดอาลายตายอยากในชีวิตถึงกับค่าตัวตายจริงๆก็มีแทบไม่เว้นแต่ละสัปดาห์นี่แหละท่านที่เคารพเรื่องริดเดทของความผิดหวังใครยังไม่โดนเข้ากับตัวจังๆก็ยังไม่รู้และยังทำเป็นปากแข็งอยู่ได้แต่ถ้าโดนเข้าแล้วจึงจะรู้ว่าน้ำใบบัวบกเป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้น วันนี้ขอนำสนทนาและนึกคิดในเรื่องนี้สักครั้งโดยที่ผมจะพูดถึงความผิดหวังทั่วๆไปคือพูดคลุมไปหมดไม่เจาะจงว่าเป็นความผิดหวังในเรื่องรักในเรื่องยศศักดิ์หรือการค้าขายเพียงแต่จะปลูกบัวบกไว้ข้างบ้านท่านผู้ใดรู้สึกชอกช้ำระกำซวงในเรื่องใดก็เชิญเก็บเอาไปได้ มีปัญหาสาคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้สองข้อซึ่งถ้าแก้ได้แล้วความปลอดภัยจะมากขึ้นคือ 1. ทําทำอย่างไรเราจึงจะไม่ผิดหวังและ2ถ้ามันเกิดผิดหวังแล้วจะทำอย่างไรขอเฉลยปัญหาแรกก่อนคือวิธีป้องกันความผิดหวังประการแรกที่สุดโปรดทราบว่าความผิดหวังนั้น ย่อมเกิดจากความหวังคือเพราะมีความหวังนั่นเองจึงมีความผิดหวังเหมือนเหงื่อใครกับตัวคนนั่นแหละของมันมาด้วยกันเรารักตัวเขาแต่ไม่รักเหงื่อเขาเราจะทำอย่างไรก็ต้องย้อนไปศึกษาดูว่าตัวของคนที่เรารักนั้นมันเป็นอย่างไรทำไมจึงมีเหงื่อจะทำไม่ให้มันมีได้หรือไม่ ฉันใดก็ฉันนั้นความหวังน่ะเป็นสิ่งที่เรารักส่วนความผิดหวังเป็นสิ่งที่เราเกลียดแต่ทีนี้เจ้าความผิดหวังมันก็เกิดจากความหวังนั่นเองยุ่งกันใหญ่ที่จริงาการที่เรามุ่งหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรอากเป็นความหวังในทางที่ชอบที่ควรเช่นหวังมีโชคหวังจะได้คนรัก หวังจะสอบได้หวังจะได้เงินเดือนขึ้นหวังจะยังไม่ถึงที่ตายหวังว่าตายแล้วจะไปสวรรค์และอื่นๆความหวังเหล่านี้ทำให้คนรู้สึกกระตือรือรน้นพยายามสร้างตัวและฟันฝ่าอุปสรรคเช่นทหารที่เข้าไปรบในสนามก็เพราะหวังใจว่ายังไรเสียฝ่ายตนก็จะได้ชนะ จึงได้ทำการสู้รบหามรุ่งหามค่าหน้าดำาคร่ําเครียดแม้นักมวยที่ถูกประปักกระทุ้งเอาลงไปวัดพื้นเวทีแล้วยังอุตส่าห์พยุงตัวขึ้นมาต่อสู้อีกก็เพราะยังหวังว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้หรืออย่างน้อยก็หวังว่าจะทำให้เขาเจ็บตัวได้อีกฉะนั้นความหวังจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างหนึ่งสาหรับคนสามัญทั่วไป รวมความว่าความหวังไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหากว่าผู้นั้นได้ตั้งความหวังไว้ในทางที่ถูกที่ควรแต่น่าเป็นห่วงอยู่ตรงที่ว่าความหวังกับความผิดหวังมักจะเป็นของคู่กันความหวังมีอยู่ที่ไหนความผิดหวังก็มีอยู่ที่นั่นเหมือนคนกับเหงื่อที่ว่ามาแล้วความหวังยากความหวังมาก และความหวังไกลถ้าเราระมัดระวังในเรื่องทั้งสามนี้ไว้แล้วความผิดหวังก็จะน้อยลงถึงจะพลาดหวังก็ยังมีท่าถึงจะผิดหวังก็ยังมีเชิงความหวังยากความหวังยากหมายความว่าไปหวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากคือมันมีความยากอยู่ในตัวแล้วเรียงตามลำดับดังนี้หวังยากที่สุด คือหวังในตัวคนหวังยากมากคือหวังในสิ่งของหวังยากคือหวังในเหตุการณ์หวังในตัวคนคืออย่างไรคือหวังที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างที่เราคิดเช่นหวังจะให้เขาช่วยเราหวังจะให้เขารักเราหวังจะไม่ให้เขารักคนอื่นหวังที่จะได้อยู่ด้วยกัน หวังที่จะให้เขาดีหวังที่จะให้เขาชนะและอื่นๆรวมความว่าหวังในตัวคนอื่นก็แล้วกันและไม่ว่าจะหวังในเรื่องใดทางใดที่ว่าหวังในตัวคนยากที่สุดนั้นคือยากที่ได้สมหวังอย่างที่สุดเพราะตัวคนแต่ละคนนั้นมันมีอยู่สองงบกายหนึ่งใจหนึ่งเอาแน่ไม่ได้ทั้งสองอย่าง ร่างกายก็บุญธรรมกรรมแต่งมันจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหรมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครมันอยู่นอกกฎหมายแต่ขึ้นอยู่กับกฎธรรมดาส่วนกฎที่มนุษย์เราตั้งขึ้นก็ตั้งต้นไปอย่างนั้นเองเราบังคับไว้ว่า9กโมงต้องมาถึงที่ทำงานทุกวันแต่ถ้าร่างกายมันเกิดจะเจ็บจะตายขึ้นมามันก็ต้องเจ็บต้องตาย ก้าโมง10โมงมันก็ไม่ยอมไปทำงานแล้วใครจะทำไม่เหมือนได้หนุ่มสาวสวมแหวนมั่นกันไว้แล้วตกปากรับคํากันมั่นเหมาะว่าจะอยู่กินเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแต่ถ้าร่างกายมันตายปุ๊บปั๊บไปเสียแหวนมั่นกี่กระรับกระดับมันก็ไม่แข่ทั้งนั้นทางด้านจิตใจก็เหมือนกันลึกลับซับซ้อนนะักปากบอกว่าเขารัก รักรักแต่ใจของเขาอาจคิดว่าเกลียดเกลียดเกลียดก็ได้หรือแม้ใจเขาคิดจะรักจริงๆรรักอย่างปากว่าแต่พอไปสักหน่อยเขาไปเจอเอาใครที่น่ารักกว่าเขาก็ไปรักคนใหม่ได้จะไปเอาแน่อะไรกับใจคนที่ยังมีกิเลสตัณหารวมความว่าคนเรานี้มีทั้งกายทั้งใจ และกลายกับใจนั้นก็กลับกรอกได้ทั้งคู่บางทีใจอย่างแน่แต่กายมันไม่เล่นด้วยบางทีกายอยู่แต่ใจมันงองแงเพราะฉะนั้นจะหวังสิ่งใดในตัวคนควรจะหวังไว้เพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นคือเอาสี่หารความหวังไว้แล้วก็หวังไว้เพียงส่วนเดียวถ้าเขาบอกว่ารักคุณคนเดียวก็ให้ตีความว่า รักคุณสี่คนดังนี้เป็นต้นนอกจากนี้แล้วแม้การหวังในสัตว์ที่มีใจก็เหมือนกันเพราะมันมีทั้งตัวทั้งหัวใจต้องเอาสี่หารไว้เสมออย่างเช่นคนเลี้ยงไก่หวังว่าจะได้ไข่อาทิตย์ละสี่ฟองก็ให้ลดลงเสียสหวางไว้เพียงฟองเดียวอย่างนี้เป็นต้น หวังในสิ่งของสำเร็จได้ยากน้อยกว่าหวังในคนเพราะของมันมีแต่ตัวไม่มีใจความกลับกลอกมันมีหน้าเดียวหวังในของที่ว่าเช่นนี้หวังว่ามะม่วงจะตกหวังว่าทุเรียนจะติดมากหวังว่าข้าวในนาจะดีหวังว่ากุหลาบจะออกดอกสวยๆึ่งนี้เป็นต้นของเหล่านี้ก็อย่างว่านั่นแหละเราไปหวังเอากับมันเฉ ย, เฉย มันเองจะได้รู้เรื่องที่เราหวังสักนิดก็เปล่าแม้ที่ว่าของสิ่งนั้นนั้นเป็นของเราแต่มันเองก็หาได้ยินยอมว่าเป็นของเราไม่เราว่าเอาเองต่างหากอยากดูกันให้แน่ๆต้องดูตอนไฟไหม้บ้านเวลาเจ้าของบ้านวิ่งออกจากบ้านนั้นของที่เราหวงแหนนักหนาจะได้วิ่งตามเราออกไปสักอย่างเดียวก็ไม่มีพวกโต เฟอร์นิเจอร์ราคาแพงๆมันกลับไปเข้าข้างไฟหมดช่วยเป็นเชื้อให้ไฟไม่บ้านรุนแรงขึ้นอีกกล้วยไมย้ราคาแพงๆที่เราหวงนักหวงหนาก็เหมือนกันถึงไปอยู่กับขโมยแล้วมันก็ยังออกดอก ง, งามๆบำรเรอใจขโมยเหมือนกันมันจะช่วยเราแอนตี้ขโมยให้สงกับที่เรารักหน่อยก็ไม่ได้ฉะนั้น การหวังอะไรๆในสิ่งของต่างๆจะหวังครบร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าหวังในคนอยู่บ้างเพราะความกลับกรอกสับสนมีน้อยกว่าเนื่องจากมันไม่มีใจมุขโขโลกนะไม่มีรักมีชังกุหลาบนั้นคนรดน้ำจะรูปสวยหรือกี้เร่รดน้ำให้มันมันก็กินน้ำเท่ากันข้าวในนานั้น จะเป็นคนสวยหรือคนแก่ปักดำมันก็ออกรวงมาเท่าเท่ากันไม่เหมือนคนเราส่งคนแก่ไปติดต่อกี่ทีกี่ทีไม่เดือเร่องสักทียืนอยู่คำเดียวว่าไม่ว่าแต่ถ้าปล่อยสาวๆหน้าฉแฉล้มไปติดต่อลองดูบ้างเสร็จทุกทีอย่าให้พูดเลยด้วยเหตุนี้แหละถ้าจะหวังสิ่งใดในของก็ควรจะหวังไว้สัก 50% เซน์ เท่านั้นหวังในเหตุการ์เช่นหวังว่าจะสอบได้หวังว่าเหตุการ์จะสงบหวังว่าเงินเดือนจะขึ้นหวังว่าจะไม่ร้อนไม่หนาวหวังว่าฝนจะตกหวังว่าน้ำจะไม่ท่วมและอื่นๆเหตุการ์เหล่านี้เรามีทางพอจะถ่ายได้ลวงหน้าคือคาดคะเนได้บ้างแต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป อย่างเช่นเราหวังว่าไฟจะไม่บ้านของเราเพราะเราได้เตรียมระวังไว้อย่างดีแล้วฟืนไฟดับสนิทหมดแต่ก็ไม่แน่นักเพราะไฟอาจลามมาจากบ้านอื่นก็ได้อาจถูกคู่อรเผาเอาก็ได้แม้แต่เครื่องบินบินอยู่ถึงฟากฟ้ายังร่วงลงมาไม่บ้านเรือนของชาวบ้านได้โปรดนึกดูก็แล้วกัน แต่ถึงกระนั้นก็ยังแน่นอนกว่าหวังในสิ่งของดังนั้นการหวังในเหตุการณ์จึงควรหวังไว้เพียง75ในเรื่องของความยากนี้เมื่อสรุปแล้วควรปฏิบัติต่ังนี้ความหวังความสมหวังความผิดหวังในคนสมหวัง25เผิดหวัง75 ในของสมหวัง 50% ผิดหวัง 50% ในเหตุการณ์สมหวัง 75% ผิดหวัง 25% ลองตั้งความหวังแบบนี้ดูบ้างสิครับความผิดหวังจะน้อยลงคือทำความทุกข์ใจให้เราน้อยลงเพราะว่าเราได้ตั้งงบประมาณความผิดหวังไว้ล่วงหน้าแล้วความหวังมาก ความหวังมากคือหวังเกินเหตุเช่นหวังจะเป็นเศรษฐีเงินล้านหวังจะเป็นใหญ่มีอำนาจกว่าคนทั้งหลายหวังจะให้คนชมทั้งเมืองและอื่นๆหวังอย่างนี้เรียกว่าหวังมากคนที่หวังมากเกินไปนั้นยากนักที่จะสมหวังเพราะความจริงเรื่องที่เราหวังแต่ละเรื่องนั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้สมหวังหรือไม่ ส่วนการตั้งความหวังนั้นง่ายนิดเดียวเพียงแต่เราหวังว่าอยากกินต้มยำอร่อยๆนาทีเดียวก็หวังเสร็จแต่แม่ครัวผู้ที่จะทำให้สำเร็จความหวังนี้ต้องลุกยืนเดินนั่งโยงโ ย, โยงโยกซ้ายหันขวาหันกลับหลังหันไม่รู้กี่สิบครั้งโปรโดนึกดูคนที่ตั้งความหวังไว้มากๆแล้ว ต้องเสียใจเพราะไม่สมหวังนั้นหากจะอุปมาก็เหมือนคนที่ปั้นชามใบใหญ่มาหึอมาเกินชาวบ้านชาวเมืองเขาเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์ใจหาฝาชามมาปิดไม่ได้ผมขอโทษที่จะกล่าวว่าคนเราทั่วไปนิยมหวังแบบนี้คือชอบหวังมากทําคุณแก่กใครก็หวังว่าเขาจะตอบแทนบุญคุณเป็นการใหญ่แต่แล้วก็ไม่สมหวัง เพราะฉะนั้นหมอดูที่ไซโคเก่งเวลาท่ายชะตาของใครเขาจึงชอบถ่ายว่าคุณทำคุณกับคนไม่ขึ้นแล้วลูกค้าก็มักจะรับว่าจริงแทบทั้งนั้นเพราะใจอยากให้เขาตอบแทนคุณมากๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่เห็นรายไหนมากอย่างใจเลยความคิดที่ว่าตัวทำคุณกับคนไม่ขึ้นมันฝังอยู่ในใจแล้ว พอโดนทักถูกใจดำเข้าก็ร้องจริงทุกทีนอกจากนี้การหวังในสิ่งที่เขาไม่มีก็ควรระวังเพราะบางทีบางอย่างเขาไม่มีให้จริงๆเช่นหวังความรักจากคนที่ไม่มีความรักในหัวใจเลยความรักมันโหดเหี่ยวแห้งตายด้านหมดแล้วถึงเราจะหวังเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่มีให้ ป่วยการหวังหวังความฉลาดในคนที่ไม่มีปัญญาหวังความเมตตาในคนใจร้ายและอื่นๆลำบากทั้งนั้นเขาก็ไม่ได้แกล้งเราแต่เขาก็ไม่มีให้เรื่องอย่างนี้ต้องดูให้ดีก่อนที่จะหวังคนเรามักจะชอบทำตัวเป็นร้านแผงลอยคือตั้งราคาเผื่อต่อหมายความว่า หวังมากเกินไปเอาเข้าจริงได้นิดเดียวความหวังไกลความหวังไกลคือหวังในสิ่งที่ห่างไกลเกินไปกว่าจะสมหวังได้ก็ต้องคอยแทบแย่เช่นหวังว่าจะสบายเมื่อแก่หวังว่าจะไปสวรรค์เมื่อตายแล้วหวังว่าเมื่อถูกหวยเบอร์จะทำบุญและอื่นๆความหวังไกลเกินไปนั้นต้องทุกข์ที่รอนาน ก็เป็นการยากที่ความหวังจะสำเร็จได้เข้าทํานองว่าหวังน้ำบ่อหน้าน้ำหน้าบ่อมีสุนทรผู้ก็สอนไว้แล้วว่าทางไกลาตาอุปมาเหมือนเสียเนธการหวังที่ไกลเกินไปนั้นเราจะต้องเสียเวลารอตั้งนานจนกว่าจะสมหวังบางทีเลยชวดไปเลยบางคนขอโทษเถอะหวังไกลเกินไปเลยตกรถ น่าสงสารรถผ่านมาเที่ยวแรกเขาก็ร้องเรียกให้ขึ้นโดยสารแล้วคิดว่าอย่างเช้าอยู่จึงเล่นตัวไม่ยอมขึ้นผลที่สุดต้องคอยเกอร์บ่ายก็แล้วเย็นก็แล้วรถไม่มีมารวมความโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วว่าการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความผิดหวังขึ้นนั้นต้องแก้ที่การตั้งความหวังระวังในเรื่องหวังมาก หวังยากหวังไกลแล้วก็จะปลอดภัยไปมากคือแม้จะยังมีความผิดหวังก็หน้อยแต่จะให้ไม่มีการผิดหวังเลยเป็นไปไม่ได้ส่วนปัญหาที่ว่าหากมันผิดหวังเสร็จแล้วจะทำอย่างไรบวชเชียรหรือบวชพระหรือหรือกดโป้งรอไว้พูดคราวหน้าครับหมดเวลาแล้ว